พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันป้องกันภัยต่างๆเหมือนสมัยนี้เรามีรถยนต์ที่เป็นรถที่กระสุนยิงเข้าไปไม่ได้กระจกไม่แตกหรือมีเกราะไว้ใส่ เจ้าหน้าทีต่ตำรวจเวลาปฏิบัติการจะมีเสื้อเสื้อกะไว้ใส่เวลาถูกกระสุนก็จะไม่เข้าไปถึงถึงร่างกายมีเกาะป้องกันกระสุนพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเกาะป้องกันความทุกข์ที่ จะไม่ให้เข้าไปทำร้ายจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราทุกวันนี้ยังเจอความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้ปฏิบัติอาจจะเพราะว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำอย่างไรกันนั่นเองทำอะไรกันเราก็เลยต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ความทุกข์ต่างๆจะไม่เข้ามาทำร้ายจิตใจของพวกเราได้เลยนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณาเวลาที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง การเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเข้าหาที่พึ่งทางใจหาเกาะคุ้มกันใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจทำ้ายจิตใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกุกท่านได้ค้นพบธรรมะอันประเสรศิฐ ที่จะปกป้องคุ้มครองจิตใจของท่านไม่ให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาเมื่อท่านเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมะการมีธรรมะอยู่ในใจจะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ พระ อ, องค์และพระสาวกก็เลยเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังและเข้าใจวิธีการปฏิบัติและนำเอาไปปฏิบัติได้ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป การไม่มีความทุกนี่แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการมีอะไรต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ว่าจะมียศมีตำแหน่งสูงสูงหรือไม่สูงก็ตามไม่ว่าจะมีการสรรเสริญเยินยอมีการรับรางวัลต่างๆ ได้รับรางวัลต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ตามการกระทาการได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจไดออ้ถึงแม้จะมีความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากสิ่งต่างๆแต่ม่นไม่นานเดี๋ยวความสุขเหล่านี้ก็จะหายไป แล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี่เองอ่นี่คือทําไมเราจึงต้องมาศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รู้จักวิธีป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาทําลายจิตใจ เมื่อไม่มีความทุกข์แล้วใจเรานี่จะมีความสุขความสุขอยู่ที่การไม่มีความทุกข์นี่องถ้าตราบใดมีความสุขแต่ยังมีความทุกข์อยู่มีความสุขต่างๆที่เราหามาได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวดึงความทุกข์มา เราหาความสุขกันในโลกนี้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่แล้วเราก็ต้องมาเจอความทุกจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันเพราะว่าลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกเนื้นก่ายนี้มันเป็นของชั่วกราว มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมเวลามาเราก็ดีใจกันเวลาที่เราได้ราบยศสรจแเสริญได้ความสุขทางต า, งางหูจมกูกเนินกายกันแต่เวลาที่เขาจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเวลานั้นความสุขที่เราได้จาก ลาบยศสละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทรงค้นพบว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ มันจะมีความทุกข์ตามมาด้วยเสมอเป็นเหมือนเงาตามตัวถ้าอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลามยศสรรเสริญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไป ถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็ต้องหยุดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่ให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบอันนี้จะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขล้วน เรียกว่าถ้าเป็นทองคำก็เป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรแปกปลอมเจือปนเข้ามาไม่เหมือนกับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีความทุกข์ผสมเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้เราทุกข์กันทั้งๆ ท, ที่เราก็มีอะไรมากมายมีความสุข ทุกรูปแบบก็ว่าได้มีความสุขจากลาบยศสรรเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ใจของเราก็ยังมีความทุกข์มีความกังวลใจอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราก็รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้มันไม่แน่นอนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่เรื่อยๆหรือเปล่า มันจะหมดไปเมื่อไหร่ความรู้นี่แหละมันทำให้ใจเราไม่สบายทำให้ใจเราวิตกกังวลสิ่งที่เราควรจะรู้ต่อไปก็คือเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่มันจะต้องมีการพัดพากจากกันไปในที่สุดเราก็น่าจะควรกวรจะเลิกหาสิ่งเหล่านี้กันหยุด ใช้สิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกันไปหาความสุขอีกแบบดีกว่าความสุขที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบความสุขที่พระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ได้พบหลังจากที่ได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําออกไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มาหาความสุขทางใจดีกว่า มาความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบ ก, การจะทําใจให้สงบเราก็ต้องปฏิบัติทาขั้นต่างๆ ต, ต, ตั้งแต่ขั้นต่าขึ้นไปสู่ขั้นสูงขั้นต่าก็คือการให้ทานการทำบุญทําทานขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลขั้นที่สามก็คือการภาวนาถ้าเราปฏิบัติ ทำเหล่านี้ใจของเราก็จะพบกับความสงบพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะทําให้เราเลิกพึ่งความสุขทางลาบยศสรรเสริญเลิกพึ่งความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายไปได้พอเราไม่พึ่งความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้ว เวลาที่เกิดการพัดพรากจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เพราะเรายังมีความสุขมีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากการทําทานทําบุญความสุขที่เกิดจากการรักษาศีล ความสุขที่เกิดจากการภาวนาอันนี้เป็นการปฏิบัติแบบเป็นขั้นบันไดเราต้องปฏิบัติขั้นที่หนึ่งก่อนถึงจะขึ้นสู่ขั้นที่สองได้จากขั้นที่สองเราก็ปฏิบัติขั้นที่สามต่อไปตอนนี้ส่วนใหญ่ศรัทธาญาติโยมก็จะปฏิบัติขั้นที่หนึ่งกันเป็นส่วนใหญ่คือทําบุญทําทานกัน อันนี้เป็นเพราะว่าการทำบุญทำทานนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นเองเราต้องเริ่มจากวิธีที่ง่ายและวิธีที่จะสนับสนุนให้เราเก้าวขึ้นสู่วิธีที่ยากขึ้นไปได้ทำสิ่งที่ง่ายก่อนแล้วก็จะมีกําลังที่จะขยับขึ้นไปทำสิ่งที่ยากกว่า ยากขึ้นไปตามลําดับอทําทานกง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีลห้าก็ง่ายกว่ารักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยยีส่สบเจ็ดมีความยากง่ายต่างกันต้องขยับหัดทำไปก่อนถ้าอยากจะทําแบบรักษาศีลสองรอยี่บเจ็ดเลยทั้งทั้งที่ยังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็จะรักษ รักษาได้ไม่นานใหม่ๆอาจจะมีศรัทธามีความพยายามก็อาจจะพยายามรักษาไปแต่สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยมันก็จะอ่อนกำลังลงแล้วก็จะไม่สามารถรักษาได้เหมือนคนที่วิ่งมาราทอนเนี่ยก่อนที่จะวิ่งมาราทอนได้ก็ต้องหัดวิ่งที่ละกิโลสองกิโลก่อนเพื่อให้มีกาลัง ถ้าไปเริ่มวิ่งมาราธอนเลยนี่วิ่งไปไม่ได้กี่โลเดี๋ยวก็หมดเลยทำไม่ได้ต้องฝึกจากกำลังที่เรามีอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยเสริมกำลังให้มีมากขึ้นทุกอย่างต้องเริ่มจากน้อยไปหามากก่อนอาจยกน้ำหนักก็เหมือนกันน้าตอนตอนนั้นยกน้ำหนักที่เบาก่อน แล้วเพิ่มน้ําหนักที่เราโลสองโลเพราะร่างกายจะปรับตัวจิตใจจะปรับตัวให้รับกับน้ําหนักที่จะต้องยกได้หรือระยะทางที่จะต้องวิ่งได้หรือ ก, การกระทําปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจิตใจก็ต้องปรับตัวเองให้ค่อยมาทำแต่ละขั้นไปนะ ถ้าจะไปทำขั้นภาวนาไปบวชเป็นพระไปอยู่ป่าอยู่เขาถ้าไม่มีกำลังก็จะอยู่ได้ไม่นานบวชได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องลาสึกออกไปแต่ถ้าคอยหัดทำขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นแล้มีรู้กำลังของตนเองว่าทำได้หรือไม่ได้พอ ร, รู้ว่าทำได้ก็ขยับขึ้นไปอีกขั้นนึง ถ้าทําอย่างนี้แล้วมักจ ะ, ะทําสําเร็จการทำมากของท้าวเจ้านี้เป็นธรรมที่สนับสนุนกันขั้นที่หนึ่งจะสนับสนุนขั้นที่สองขั้นที่สองจะสนับสนุนขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปตามลําดับดังนั้นถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนบางคนอาจจะเคยทำมาก่อนในชาติก่อนอ ถ้าเคยทำมาก่อนสมมติเคยทำขั้นที่หนึ่งแล้วมาครั้งนี้ก็ จ, จะมาทำขั้นที่สองขัง้นได้เลยบางคนเคยทำขั้นที่หนึ่งที่สองแล้วก็มาทำขั้นที่สามได้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ติดติดมากับใจของพวกเราการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่สูญหายไม่เหมือนกับลาบยศสารเสริญ เวลาตายไปแล้วเรากลับมาเกิดใหม่ชาติก่อนเราอาจจะรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่กลับมาชาตินี้อาจจะมาเกิดมาไม่มีเงินทองก็ได้เนี่เพราะเราไม่สามารถเอาเงินทองที่เรามีอยู่จากชาติก่อนติดตัวมาได้แต่เราสามารถเอาสิ่งที่เราปฏิบัติในชาติก่อนนี้มาเอามาติดตัวกับเราได้ถ้าเราเคยทำบุญทำทาน มาเราก็จะกลับมาทำบุญทำทานได้ง่ายได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยทำบุญทำทานนะถ้าเคยรักษาศีลห้าได้ก็จะกลับมารักษาศีลหได้อย่างง่ายดายคนที่ไม่เคยรักษาศีลห้าก็จะรู้สึกว่ายากลำบากอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการสร้างนิสัยเรียกว่าสร้างนิสัยที่ดี เราเรียกว่าบารามีบุญบารามีทานศีลภาวนานี้เป็นบารามีที่เป็นนิสยัยที่จะติดไปกับใจของพวกเราเราทำชาตินี้แล้วถ้าเรายังไม่สาเร็จเรากลับมาชาติหน้าเราก็มาทำต่อได้ไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์อยู่ขั้นไหนก็กลับมาทำต่อจากขั้นนั้นขึ้นไปได้ ดังการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะมีแต่การเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดการปฏิบัติแล้วเราค่อยเพิ่มคืออย่าปฏิบัติแบบเท่าใดเท่าเดิมคอยปฏิบัติเท่านี้ก็เอาเท่านี้จะต้องมีการพัฒนามีการเพิ่มเติม เหมือนกับบริษัทนี่เขาจะมีเป้าหมายว่าปีนี้จะต้องกำไรเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นตปีหน้าก็ต้องเพิ่มขึ้นจากปีนั้นปีนี้เพิ่มขึ้นไปอีกสิบเปอร์เซ็นตต้องมีตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะพัฒนาได้ถึงจะก้าวหน้าได้การปฏิบัติธรรมก็ต้องมีการตั้งเป้า ตอนนี้เราทำทานได้หรือหรื อ, อยังหรือเรายัางเสียดายเงินทองอยู่รเราแบ่งเงินก้อนหนึ่งไว้สำหรับทำบุญทำทานได้หรือไมอ่เอาเงินที่เราจะเอาไปใช้ในทางที่จะเกิดความทุกข์เอามาใช้กับการทำบุญดีกว่าใช้เงินยังไงที่จะทำให้เกิดความทุกข์ก็เะนใช้เงินไปกับอาบายามุขต่างๆ เอาไปดื่มสุราเอาไปเล่นการพนันหรือเอาไปเที่ยวเตรอันนี้มันจะเกิดความทุกข์เพราะว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันเงินทองจะไม่พอใช้แต่มันจะติดเที่ยวแล้วจะติดดื่มโซาแล้วจะติดเล่นการพนันแล้วจะติดจะเลิกยากพอไม่มีเงินก็อาจจะต้องไปลักขโมย ไปช่อโกองเพื่อที่จะได้เอามาเล่นต่อมาดื่มต่อออันนี้เป็นการใช้เงินที่เกิดโทษเอาเงินก้อนส่วนนี้มาทําบุญดีกว่าเพราะการทําบุญนี้ไม่เกิดโทษมีแต่เกิดคุณนทําบุญแล้วจะทําให้ใจเรามีความสุขมีความสบายแล้วจะทําให้เราไม่ยึดติดกับเงินทองะ มากจนเกินไป ừ. เวลาถ้าเราสูญเสียเงินทองไปเราจะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่เคยทาไม่ทําบุญทําทานคนที่ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆเขาหัดเสียเงินเสียทองอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดมีเหตุการณ์ทำให้เขาต้องสูญเสียเข้าของเงินทองไปเขาจะไม่ค่อยทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่ทําบุญทาทาน เ, เขาเคิดว่ามันก็เป็นเหมือนเอาเงินไปทําบุญนะไรเวลาทําบุญก็เสียเงินเสียทองแล้วเสียเงินเสียทองแบบมีความสุขด้วยเวลาเราได้ทําบุญทําทานทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาออันนี้จะป้องกันให้เราไม่ต้องมาทุกมากับการสูญเสียเข้าของเงินทองต่างๆ ถ้าเราทำกันอยู่เป็นประจำเราจะไม่ยึดติดกับเงินทองเราจะรู้ว่าตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แต่บุญนี้เราเอาไปได้นิสัยที่ชอบทำบุญนี้เราเอาติดตัวไปได้การที่มีนิสัยชอบทำบุญนี้มันดีกว่านิสัยที่ไม่ชอบทาบุญ นิสัยหงเงินหงทองนี่มันจะทำให้ทุกเวลาที่สูญเสียเงินทองไปแล้วมันจะทำให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ทําบุญทำทานนี้จะเป็นคนที่ไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น อ, อ, อยากจะช่วยผู้อื่นอยากให้ผู้อื่น ได้รับประโยชน์สุขจากการกระทำของตนเห็นเวลาทำอะไรก็จะระมัดระวังจะคิดก่อนว่าทำไปแล้วทำให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติของคนที่ทำบุญทำทานก็จะทำให้รักษาศีห้าได้อย่างง่ายดาย เพราะว่าคนทําบุญทําทานจะคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นไม่เหมือนกับคนที่ไม่ทําบุญคนที่ไม่ชอบทำบุญนี้เป็นคนที่คิดแต่จะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเองทําอะไรก็อยากมองอยู่ที่ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับก็ <c oughs> จะไม่ชอบเสียเงินทองไม่อยากเพราะเสียเงินทองนี้เสียประโยชน์ะ แต่เขาไม่เห็นผลที่เกิดจากการเสียเสียประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ดประโยชน์ของผู้อื่นว่ามันเกิดความสุขใจขึ้นมาเขากลับไปมองที่ว่าได้ได้ซื้อข้าวซื้อของได้ทำอะไรตามที่เขาอยากทำแล้วจะให้เกิดความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียเด๋ยวๆพอไปเที่ยวกลับมามความสุขนั้นก็หายไป แล้วสิ่งที่ก็มาแทนที่ก็คือความหิวความอยากไปเที่ยวอีกเพราะว่าความสุขที่ได้จากไปเที่ยวมันหมดไปแล้วอยากจะได้ความสุขอีกก็ต้องไปเที่ยวอีกก็ต้องใช้เงินมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอเงินไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปช่อโกงไปทำบาปเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเที่ยวต่ออันนี้แล้วเขาก็จะไม่ คิดถึงการเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาไปขโมยเงินของคนอื่นเขาไม่สนใจคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไรขอให้เขาสบายขอให้เขามีความสุขนี่คือเรื่องของคนที่ไม่ไม่ทำบุญจะทำให้รักษาศีลไม่ได้รักศีลจะทำอะไรเขาจะมองที่ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับเขาไม่ไปมองผลกระทบที่จะเกิดเจ้ากับผู้อื่น แล้วก็ไม่มองว่าผลกระทบที่เกิดกับผู้อื่นจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองเพราะว่าถ้าไปทำอะไรให้ผู้อื่น <c oughs> เขาเสียหายหเดื อ, อดร้อนเดี๋ยวเขาก็ต้องมาจัดการกับเรา <c oughs> ไม่ปล่อยให้เราลอยนวลไม่ปล่อยให้เราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรื่อยๆ <c oughs> บางทีก็ไปแจ้งความตำรวจก็ต้องมาตามจับ หรือถ้าไม่มีตำรวจก็อาจจะจ้างมือปืนจ้างใครมาจัดการเราก็ได้นี่คือเรื่องของคนที่ไม่ทำบุญจะคิดแต่เอาแต่ได้เอาประโยชน์ใส่ตัวเองโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นไม่ไม่คำนึงถึงผลกระทบไม่ว่าจะเป็นประโยชน์หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น จะมองแต่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้บากคนเหล่านี้จะไม่ชอบทาบุญเพราะเห็นว่าทำแล้วมีแต่ขาดทุนทำแล้วไม่ได้อะไรมีแต่เสียเงินเสียทองทำไปทำไมแต่เขาไม่คิดคิดไม่เป็นว่าการทาบุญนี้เกิดประโยชน์หลายด้านจิตใจนี้จะมีจมีความอิ่มใจสุขใจ ที่ที่เขาไม่รู้ถ้าเขาไม่เคยทําบุญนะแต่สําหรับคนที่เคยทําบุญเป็นประจำเนียเวลาได้ทําบุญทําทานได้เสียสละแบ่งปันจะเกิดมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจ <c oughs> มากกว่าความสุขที่ได้จากได้เงินทองก้อนเดียวกันเสียได้ซ้ําไปหรือได้จากการเอาเงินทองก้อนเดียวกันไปใช้ในทางอื่นไปเที่ยวไปซื้อของที่อยากได้ ของฟุ่มเฟือยต่างๆดีใจเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็เกิดความหิวความอยากขึ้นมาใหม่แต่ทำใจทาบุญแล้วใจไม่หิวใจจะอิ่มไม่หิวที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่หิวที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะใจอิ่มกลับบ้านอยู่บ้านก็อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกง ด, กดจิตําคาญใจ ไม่เหมือนกับคนที่เอาเงินไปเที่ยวเตะอยู่เรื่อยๆพอกลับบ้านก็จะเบื่ออยู่บ้านไม่ได้จะต้องออกไปเรื่อยๆก็จะต้องไปใช้เงินอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดพอเงินไม่พอใช้ก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปทำบาปทำกรรมต่อไปนี่จะไม่มีวันจเจริญกนะ้าวหน้า ถ้าทาบุญทาทานไม่ได้จะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลได้และถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้ก็จะไม่สามารถขึ้นไปสู่การปฏิบัติภาวนาได้เนเพราะว่ามันต้องใช้กำลังบังคับจิตใจให้หยุดการกระทาต่างๆนั่นเองที่เรามาปฏิบัติกันนี้เพื่อหยุดการกระทาทางกายทางวาจาใจกัน เพราะว่าถ้าเราหยุดได้ใจของเราจะสงบแล้วจะมีความสุขจะทำให้เราไม่ต้องไปพึ่งลาบยศสารเสริญไม่ต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราพอเราไม่พึ่งลาบยศสารเสริญไม่พึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่เราเกิดการพัดภาคจากสิ่งเหล่านี้ไปเราจะไม่เดือดร้อนเลยเราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใด หรือแม้กระทั่งร่างกายของเราเราก็ยังเราก็ต้องจากมันไปมันก็ต้องจากเราไปในวันใด ว, วันหนึ่งแต่ถ้าเรามีใจที่สงบมีความสุขเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการพัดพาดของร่างกายเลยหรือถ้าร่างกายแก่ชราหรือเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเป็นอะไรไปใจจะไม่เดือดร้อนใจที่มีความสงบ มีความสุขจนไม่เดือดร้อนพอสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองเนี่ยทำไมเราจึงต้องทําบุญทําทานทําบุญแล้วเราจะมีกําลังรักษาศีลห้าได้แล้วพอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะสามารถขยับขึ้นสู่การรักษาศีลแปดได้ พอรรักษาศีลแปดได้ต่อไปเราก็ไปบวชได้ถ้าอยากจะเร่งความความความเพียรเร่งการปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายเร็วๆการไปบวชนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะบวชนี้จะไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นนักบวชนี้มีหน้าที่มาหยุดใจหยุดความคิดมาทำใจให้สงบ แล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้อยากแล้วจะต้องทุกข์เวลาเจอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องหมดพอมันเสื่อมมันหมดก็จะความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่อันนี้เป็นการปฏิบัติของนักบวช นักบวมาปฏิบัติเพื่อมาหยุดหยุดความอยากต่างๆนี้เองจะหยุดได้ก็ต้องมีเวลาควบคุมความคิดเมื่อควบคุมความคิดได้แล้วก็ต้องสอนให้คิดไปในทางที่ทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรนะแต่เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นอันตรายกับจิตใจถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นลูกระเบิดนี่เราจะไม่อยากได้ แต่ถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นขนมน่ากนินเราก็จะอยากได้แต่เรามองไม่เห็นพิษของมันออันนี้ถ้ามีปัญญาจะมองเห็นจะต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลามันหมดความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเองนี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็น ว่ามันถูกความสุขคุ้มห่ออยู่เหมือนเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมเวลาอมใหม่ๆจะไม่รู้สึกขมเลยรู้สึกหวานดีนี่แต่อมไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวน้ำตาลหมดละลายหมดแล้วทีนี้ก็เจอความขมนะ <c oughs> นี่คือการปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆหรือป้องกัน <c oughs> ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่มทำลายจิตใจของพวกเราถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนนี่เราจะได้รับผลในแต่ละขั้นถ้าทำบุญทําทานอยู่เป็นนิจัยแล้วจะไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะไม่ไปแก่งแย่งชิงดีกับคนนั่นคนนี้จะไม่เสีย อ, อกเสียใจถ้าสูญเสีย สิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้สูญเสียข้าวของเงินทองไปเพราะจะเห็นว่ามันเป็นของไม่ไมแน่นอนทรัพสมบัติข้าวของนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปถ้าไม่หมดตอนเป็นก็หมดตอนตายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกัน แล้วก็ความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองซื้อสิ่ ง, งต่างๆก็เป็นความสุขที่จะเป็นความทุกข์ความสุขที่จะได้จากการใช้เงินทองที่ไม่มีความทุกข์ก็คือการทําบุญนี่คือการเสียสละให้คนอื่นไปจะให้โดยวิธีไหนก็ได้ให้โดยที่เราเอามาให้เองก็ได้หรือให้โดยที่ให้เขามาขโมยไปก็ได้มันก็เป็นการให้เหมือนกัน คนที่ทำบุญนี่บางทีจะไม่เสียใจเวลาโดนขโมยเงินโดนเขากงเพรา ะ, จ, ะจิตจะคิดไปอีกมุมหนึ่งว่าก็เป็นเหมือนกับการทำบุญดีๆนี่ทำบุญก็ต้องเสียเงินถูกเขากงก็ต้องเสียเงินเหมือนกันถ้าเรายินดีให้เขากงเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่เดือดร้อนคิดว่าเป็นการทำบุญหรือคิดว่าเป็นการใช้หนี้ก็ได้ชาติก่อนล้วอาจจะเคยโกงเข้ามา ชาตนี้ก็เลยต้องถูกเขาโกงเอากลับไปหรือทําไม่ไม่เช่นนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนี่คือการทําบุญทําทานจะทําให้ใจเราไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องการสูญเสียข้าวของเงินทองต่างๆเราจะทําให้เรานี้มีความเมตตาเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะทําให้เรารักษาศีลได้ เราจะไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากประพฤติผิดประเวณีไม่อยากพูดปดโกโหกหลอกลวงไม่อยากดื่มุรารยาเมาหรือเสพอบายามุกต่างๆเรารู้ว่าเป็นการกระทำที่จะนำแต่โทษนำแต่ทุกข์เข้ามาสู่จิตใจนั่นเองพอรักษาสีลหน้าได้แล้วทีนี้ก็อยากจะลองรักษาสีลแปดเนะี่ยเพราะว่าการรักษาศีลแปด ก็จะทำให้เราห้ามการกระทาต่างๆห้ามการพึ่งร่างกายในการหาความสุขต่างๆเพื่อเราจะได้เอาเวลาที่เราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบการที่เราจะทำใจให้สงบได้เราต้องหยุดการกระทำทางร่างกายหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกาย เช่นสีข้อสามถ้าถือสีหน้าเรายังใช้ร่างกายหาความสุขด้วยการหลับนอนกับคู่ครองของเราได้หลับนอนกับสามีภรรยาได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องหยุดหยุดการาร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเร า, เาสีข้อสามก็เปลี่ยนจากกามีสุมิชฌาจาราไม่ไประพฤติผิดในกาม มาเป็นอ布รมาจาริยาไม่ประพฤติกามเลยไม่ร่วมหลับนอนกับใครเพราะว่าการร่วมหลับนอนก็จะมาทำให้ไม่มีเวลามาปฏิบัตมิมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบนั่นเองเต้องเลือกเอาเวลามันมียีบสี่ชั่วโมงใจไปใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ถ้าจะเอาไปใช้กับเรื่องนี้ ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับเรื่องนั้นได้ถ้าอยากจะเอาไปใช้กับเรื่องนั้นก็ต้องเลิกใช้กับเรื่องนี้ถ้าถ้าอยากจะเอาเวลาไปนั่งสมาธิไปฝึกควบคุมจิตใจให้สงบก็ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับแฟน mm. อย่างนี้เวลานอนก็ไม่ให้นอนมากเกินไปนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะทาให้นอนไม่มากก็ต้องนอนบนพื้นที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นุม่มไม่สบาย ให้นอนบนพื้นแข็งๆเพราะถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาะๆนอนแล้วมันสบาย ม, มันจะนนนนมัจะอนเกินห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่อยากนอนต่อเพราะนอนแล้วมไม่สบาย ตู้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิสบายกว่าเอลยมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์มากกว่าการนอนการนอนจริงๆนี่นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายเท่านั้นเองไม่ได้ให้หาความสุขจากการหลับนอนเพราะความสุขที่ได้รับจากการหลับนอนนี่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวชั่วคราวแล้วถ้าเกิดติดนอนแล้วเวลาไม่ได้นอนก็จะไม่สบายใจอีกเนะี ตัวเอามาหาความสุขจากการมาปฏิบัติธรรมดีกว่านะเพราะว่าเป็นความสุขแท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยนะนี่ก็ต้องมาถือศีลแปดกันไม่ไม่นอนบนพื้นไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆให้นอนบนพื้ น, น, น, น, น, น, น, น, น, นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อแล้วจะได้นอนไม่นานนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ได้นอนเพื่อให้ความสุข กับจิตใจเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไม่อยู่คู่กับใจไปเหมือนกับความสงบเอาเวลาที่นอนนี่มาฝึกสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าจะได้ความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่ท้าวรนกว่าและนอกจากนั้นก็ยังต้องรับประทานอาหารไม่มากเกินไปไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยาก รับประทานตามความจําเป็นของร่างกายเหมือนกับการหลับนอนร่างกายต้องมีอาหารร่างกายต้องหลับนอนแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีมากเกินไปนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พออาหารกินแค่มือ้อสองมื้อก็พอแต่อ ย, อย่าให้มันเกินเที่ยงวันไปเพราะหลังเที่ยงวันจะได้มีเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมนั่นเองหลังเที่ยงวัน ถ้าเราไม่กินอาหารเย็นเราก็จะไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยรอเวลาที่จะกินอาหารเย็นถ้ากินอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดูหนังฟังเพลงต่อท้องอิ่มแล้วก็ทีนี้ก็อยากจะดูบันเทิงดูบันเทิงเสร็จเดี๋ยวก็อยากจะไปนอนกับแฟนอีกถ้าถือถ้าถือสีหห้าก็จะไม่มีเวลาที่จะม า, าปฏิบัติธรรมเลย แต่ถ้าถือศีลห้าเราก็จะกาจัดกิจกรรมเหล่านี้ไปหลังจากเที่งวันแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการกินเมื่อกินไม่มากมันก็จะไม่มันก็จะไม่อยากหาความสุขจากจากการบันเทิงต่างๆไม่อยากไปดูหนังฟังเพลงไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบดีกว่าพาะไหนๆจะลงทุนอดอดอยากขาดแคลนแล้ว จะมาหาความสุขแบบนั้นทำไมถ้ามาหาความสุขแบบนั้นก็ไม่ต้องมาถือศีลแตให้เสียเวลาเปล่าๆนะผู้ที่ถือศีลแต น, นี่เพื่อต้องการจะหยุดกิจกรรมหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่นอนหลับนอนกับแฟนไม่รับประทานอาหารหลังเที่งวันไปแล้วไม่ดูมอห์ลสุหรือบันเทิงต่างๆไม่ร้องนำทําเพลงไม่เสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทําเผ้าทําผมใช้น้ํามันใช้น้ําหอมอะไรต่างๆมันเสียเวลาเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขปลอมเอามาหาความสุขจริงความสุขที่ถาวรดีกว่าคือการมาฝึกจิตให้สงบ การจะทำจิตให้สงบก็ต้องมีเวลาเจริญสติการจะเจริญสติได้อย่างมีผลต้องมีเวลาไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นให้มีเวลาว่างเพราะว่าต้องการหยุดความคิดนั่นเองถ้าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นมันต้องใช้ความคิดถ้าไปทำงานทำมาหากินมันจะต้องใช้ความคิดผู้ที่ถือศีลแปจึงมกักต้องมาฝึกในวันที่หยุดทางาน เพราะในวันทํางานนี้จะมาฝึกสติไม่ได้ไม่มีเวลาฝึกเพราะจะต้องใช้ความคิดไปกับการทํางานทานําการแก้ไขปัญหาต่างๆจะมาพุโทโธพุโทโธไม่ให้คิดเนึ่ยทาไม่ได้จะมาทําพุโทโธพุโทโธเพื่อหยุดความคิดก็ต้องทําในวันที่เราไม่ทํางานหรือถ้าเราอยากจะทํามากๆก็อาจจะต้องหยุดทํางานเลิกทํางาน ถ้าเป็นผู้ชายก็ไปบวชได้เนี่ยพอไปบวชก็จะได้ไม่ต้องมีงานเรื่องธรรมะหากินการธรรมะหากินของพระ ก, ก็ไม่ใช้เวลามากแค่บินทบาทวันละชั่วโมงก็เสร็จละเวลาเดินบินทบาทก็ยังสามารถจเจรานสติได้ควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ วิถีชีวิตของนักบวชนี้เป็นวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมที่เอื้อต่อการควบคุมใจที่เอื้อต่อการเจริญสติที่เอื้อต่อการฝึกสมาธิและปัญญาเนยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการปฏิบัติธรรมจึงมักจะเป็นนักบวชกันฮะผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงสาว ก, กันนี่ส่วนมากจะเป็นนักบวช น้อยที่จะเป็นคารวะผู้ของเรือนก็มีอยู่บ้างในสำหรับคารวะบางท่านที่มีบุญเก่าหรือว่าไม่ต้องมีภาระในการทำมาหากินอาจจะมีเงินเหลือเฟือไม่ต้องไปทำงานทำการก็สามารถเอามีเวลามาปฏิบัติธรรมได้โดยที่ไม่ต้องบวชก็ได้ แต่มีไม่มากเหมือนกับพวกที่เป็นนักบวชเพราะการมาบวชนี้มันจะทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ต้องมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้าการบวชนี้เพื่อมาหยุดความคิดที่ต้องหยุดความคิดเพราะว่าความคิดมันนำไปสู่ความอยากความอยากมันนำไปสู่ความทุกข์ยินงต้องมาฝึก เชิงต้องมาฝึกหยุดความคิดกันถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเราไม่คิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นลดความอยากที่จะได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดมันก็จะไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดใจก็จะสงบใจสงบใจก็จะเย็นจะสบายจะมีความสุขดีกว่าการที่ไปได้ลาบยศรสรรเสริญ ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหลายร้อยเท่าเดกันสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบผู้ที่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะไม่หาความสุขในรูปแบบอื่นอื่นอีกต่อไป จะไม่ทุกข์กับการพัดพาจากความสุขในรูปแบบอื่นๆเพราะมีความสุขที่ดีกว่าอยู่ภายในใจตลอดเวลานั่นเองนีจะทำให้ไม่ทุกข์กับอะไรต่างๆจะไม่ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ คนนั้นเขาจะเป็นอย่างนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนี้ก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ไปไม่ไปเลหวังอะไรจากเขานั่นเองไม่ต้องการอะไรจากเขาสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อ น, พอน เ, นอรเออนพราะไม่ได้ไปหวังอะไรจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ไปหวังอะไรจากร่างกาย คนที่ไม่มีความสงบนี้จะต้องหวังกับคนนั่นคนนี้หวังกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หวังกับร่างกายหวังกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองพอไม่สมหวังขึ้นมาก็เสียใจทุกทรมานใจความทุกทรมานใจไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆเกิดจากใจเราไปยึดไปติดไปพึ่งเขาเองไปหวังจากเขาหวังให้เขาดีกับเราหวังให้เขาทาอย่างนั้นทานี้ให้กับเรา พอเขาไม่ทําให้เราเราก็เสียอกเสียใจแต่ถ้าเรามีความสุขในตัวเราเองเราไม่ต้องไปหวังพึ่งใคระใครจะให้อะไรเราหรือไม่ให้อะไรเราก็ไม่เดือดร้อนะใครจะชมใครจะดา่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่หิวกับอะไรเอใจที่มีความสงบใจที่มีความสุขนี้จะอิ่มตลอดเวลาจะไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งหมดนี่ คือสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกกันมาฝึกทำใจให้สงบมาภาวนามีสองระดับสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาความสงบสองระดับต่างกันที่ระดับแรกเป็นระดับชั่วคราวสมาธินี้เป็นระดับชั่วคราวปัญญานี้เป็นระดับถาวรแต่ต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนถึงจะขึ้นไปสู่ขั้นถาวรได้ ต้องทําเป็นขั้นขั้นไปเริ่มตั้งแต่ทําบุญทําทานทําบ่อยๆทํามากๆต่อไปก็ทําหมดเลยเหมือนพระพุทธเจ้าสะลาะราชสมบัติเลยเพื่อที่จะได้ไปบวชไปปฏิบัติได้เต็มที่ตอนตอน้นถ้ายังหวงสมบัติอยู่ก็จะเสียดายจะไม่อยากจะออกบวชกันเสียดายสมบัติเสียดายความสุ ข, ขาาการจัก จากสิ่งต่างๆที่การมีสมบัติจะทำให้มีได้แต่ถ้าพิจารณาความไม่เที่ยงของสมบัติเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ทำให้สละได้เพราะรู้ว่าต่อไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องอาศัยสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายมีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันฉะนั้นอย่ามาอย่ามาหวังความสุขจากการมีสมบัติกับการใช้สมบัติเลยสู้สละสมบัติไปดีกว่าแล้วไปจะได้มีเวลาว่างไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าถ้าคิดอย่างนี้ต่อไปก็จะสามารถสละสมบัติเข้าของเงินทองได้ถ้าเห็นว่ามัน ในบ้านปลายของชีวิตนี้มันจะไม่สามารถพึ่งมันได้สู้ไปพึ่งธรรมะดีกว่าพึ่งความสงบดีกว่าถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่เดือดร้อนเวลาในบ้านปลายของชีวิต ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนหรือว่าในช่วงที่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ามีการสูญเสียมีการพัดพลาดจากอะไรก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจถ้ามีความสงบนมีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็จะเสียสละทำบุญทำทานได้มากและอาจจะทำจนทำให้หมดเลย พราะผู้ที่จะไปบวชนี้ไม่ต้องใช้สมบัติเข้าของเงินทองผู้ไปบวชนี้ขอให้ไปด้วยใจอย่างเดียวก็พอขอให้ใจพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาศีลให้ได้ภาวนาให้ได้รับรองได้ว่าไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นสมบัติก็ไม่ต้องมีมากสาหรับนักบวชนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีเพียงแปดชิ้นก็พอ อัาบริขารเป็นสมบัติของนักบวชมีบาตหนึ่งใบมีผ้าจีวร อ, อยู่สามผืนเป็นสี่ชิ้นเข็มขัดลัดเอวเป็นชิ้นที่ห้าใบมีดกรชิ้นที่หกเข็มกลับได้ชิ้นที่เจ็ดแล้วที่กองน้ำชิ้นที่แปดทำไมต้องมีที่กองน้ำสมัยก่อนต้องตักน้ำจากลำธารจากลำห้วย มันมีตัวสัตว์เนี่ยมีพวกนุกน้ำถ้าเอาตักพวกตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยก็จะดื่มไม่ได้เพราะจะบาปเป็นการฆ่าสัตว์เวลาพระจะตักน้ำจากลำห้วยเลยต้องใช้ที่กองตักจากแล้วจำได้แต่น้ำไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาจึงเป็นบริขารอันหนึ่งของพระแปดแปดอย่างด้วยกรารเครื่องสมัยนี้อาจจะไม่ได้ใช้กันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เรามีน้ำดื่มสะอาด มีกองมาจากโรงงานใสขวดมาเรียบร้อยเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่อย่างอื่นยังใช้อยู่บาทยังใช้อยู่ถ้าบินทบาทถ้าพวกไม่บินทบาทก็ไม่ต้องใช้แต่พวกที่ยังบินทบาทก็ต้องมีบาทไปบินทบาทบาทเป็นเครื่องมือหาอาหารเป็นปัจจัยเป็นอาหารแล้วก็เครื่องนุ่มห่มก็มีผ้าสามผืนเรียกว่าผ้าไตหนึ่งชุด พร้อมกับประคตลัดเอวหนึ่งเส้นอันนี้ก็เป็นบริการสำหรับเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มีดกนก็มีไว้สําหรับกร น, นวดกนผมพระนี่ต้องกนทุกเดือนผมนี่ต้องกนทุกเดือนหนวดก็ต้องคอยโกนอยู่เรื่อยๆให้เรียบร้อยไม่ให้หน้าตาเป็นเหมือนพวกโจรผู้ร้ายนี่ก็ต้องมีมีดกอน แล้วถ้าจีวรมันขาดก็มีเข็มกับได้ไว้มาซ่อมมามาปะนี่คือสมบัติของนักบวชมีเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วส่วนที่อยู่อาศัยพระพุทธเจ้าก็สอนให้อยู่ในป่าในเขาไม่ต้องไปสร้างกุฏิที่พักก็ได้สร้างเพิงที่ไหนใต้ต้นไม้กันแดดกันฝนได้ก็พอหรือไปอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ในถ้าอยู่ในเรือนล้าง เพราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการก่อสร้างไม่ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาเพราะผู้ปฏิบัตินี้ต้องการหาที่ที่สงบที่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆและอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยๆเพราะการอยู่กับที่นานๆก็อาจจะเกิดความเคยชินขึ้นมาพอเกิดความเคยชินการมีสติสตังมันจะน้อยลงไป ถ้าไปอยู่ในที่ไม่เคยชินนี่มันจะต้องมีความระมัดระวังมากการ ม, มีรับความระมัดระวังนี่ก็เป็นการปลุกสติเป็นการสร้างสติขึ้นมาจะเดินจะทำไรนี้จะต้องคอยดูว่ามีอะไรข้างหน้าหรือเปล่ามีอะไรรอบด้านหรือเปล่า ถ้าก็อยู่ที่ประจำอยู่เรื่อยๆดูวาไม่มีอะไรมันก็เลยไม่มีความระมัดระวังเดินไปก็อาจจะใจลอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปผู้ปฏิบัติถ้าไปปฏิบัติอยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกว่าสติไม่ค่อยดีแล้วก็มักอยากจะย้ายที่กันย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ใหม่ๆที่มันแปลกหูแปลกตาที่มันมีความรู้สึกว่ามีภัยต่างๆอพอมันมีความรู้สึกว่ามีภยัยมันก็จะมีความระมัดระวัง ความระมัดระวังนี่ก็คือสตินี่ เ, เนี่ยทำไมพระถึงต้องไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ในที่มันมีภัยรอบด้านเพราะมันเป็นการปลุกสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมาบังคับไม่เหมือนกับอยู่ในบ้าน ในบ้านนี้ต้องบังคับพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันถึงจะเกิดสติขึ้นมาถ้าไม่พุโทโธมันปลอดภัยมันก็ไม่ระวัตระวังอะไรมันก็คิดเลื่อยเปื่อยไปทําอะไรมันก็คิดเลื่อยเปื่อยไปไม่อยู่ไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่ถ้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวที่อันตรายนี่มันจะมีสติอยู่กับตัว จะสำนละจะมีความระมัดระวังจะเดินจะทาอะไรนี้อย่างคอยคอยดูคอยสังเกตใจจะไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะทำให้การเจริญสตินี้ง่ายทำให้มีสติได้ได้ง่ายได้มากแล้วจะทำให้เวลานั่งสมาธินี้สงบได้เร็ว สงบได้นานถ้ามีสติดีมีสติมากนี้นั่งสมาธิจะง่ายนั่งปับเดียวห้านาทีสิบนาทีก็สงบแล้วนั่งได้นานเป็นชั่วโมงอันนี้นี่คือสาเหตุทำไมพระนักปฏิบัติงมักจะอยู่ในป่าในเขาแล้วก็มีสมบัติน้อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาพลุงพลังจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษา อาจะไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นเป้าของพวกวิชาชีพถ้ามีสมบัติดีๆไปอยู่ในป่าในเขาเดี๋ยวโจรผู้ร้ายมันก็มาป้นมาจี้ได้แต่ถ้ามีสมบัติของผ้าแปดชิ้นนี้โจรผู้ร้ายไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะผ้าสมัยก่อนก็เป็นผ้าห่อศพเนี่ยผ้าบางสกุลนี่เรียกว่าผ้าห่อศพเนี่ยผ้าห่อศพก็คือผ้าบางสกุลผ้าป่า คามจริงเขาเรียกว่าผ้าป่าช้าแต่เราตัดคําว่าช้าออกไปเรียกสั้นๆว่าผ้าป่าควาจริงเป็นผ้าที่เอามาจากป่าช้าผ้าที่เขาใช้ห่อศพกันสมัยพุทธกาลนี้เขาไม่ได้ฝังไม่ได้เผาคนตายก็เอาผ้ามัดไว้แล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าพอร่างกายเปื่อยเน่าไปผ้าก็ยังใช้ได้อยู่ผ้าก็จะเก็บผ้าห่อศพมาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวร ปาจีวันของพระเลยไม่มีคุณค่าราคาสําหรับโจรผู้ร้ายไม่มีใครอยากจะมาป้นมาจี้ปลอดภัยถ้ามีของของดีๆเดี๋ยวก็ถูกป้นถูกจี้ถ้าญาติโยมไปอยู่ในป่าดูสิเอาใส่แหวนเพชรเข้าไปใส่สร้อยสร้อยคอมีพระเลี่ยมทองคําด้วยเดี๋ยวโจรผู้ร้ายมันก็ไปพระแทนที่จะมาคุ้มครองเรากับเป็นพระเป็นตัวดูดภัยเข้ามาหาเราเ ไม่รู้สึกตัวบางคนนี่ใส่สร้อยคอเส้นบัลลัมแล้วก็มีพระเรี่ยมทองเต็มคอไปหมดคิดว่าจะปลอดภัยเหรออันนี้แหละเป็นตัวล่อให้พวกที่มิจฉาชีพที่อยากจะได้ข้าวของเงินทองมาป้นมาฆ่าเราแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวไม่มีของอะไรที่มีค่าไม่มีใครเขาจะมามาปนมาจี้มาฆ่าเราอันนี้คือสมบัติของนักบวช ของที่ไม่มีคนค่าราคาที่ไม่มีใครต้องการเอาไปขายก็ขายไม่ได้เอาไปใช้ก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้กับพวกนักบวชเท่านั้นเองเนีย่ยคือของผู้ที่ทาบุญทาทานอยู่เรื่อยๆต่อไปจะสามารถอยู่แบบไม่มีไม่มีทรัพสมบัติได้ แต่พวกที่ไม่ยอมทำบุญทำทานพวกที่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติจะต้องใช้ของดีๆของราคาแพงๆพวกนี้ไม่มีวันที่จะไปบวชได้จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะเพราะว่าถ้าอยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมันต้องไปอยู่แบบนักบวชมันต้องไม่ยมันต้องไม่มีความยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องอยู่ง่ายกินง่าย อยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายกินอะไรก็ได้บิณฑบาตเขาใส่อะไรมาให้ก็กินไปตามมีตามเกิดไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุขเกิดความสนุกสนานกินเพื่อระดับละงับความหิว กินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความหิวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นเองกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายกินเป็นเหมือนกินยาเพื่อที่จะได้เอาร่างกายมาฝึกสติมาเจริญปัญญามาฝึกสมาธิเพื่อที่จะได้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆความทุกข์ของพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุนั้นเหตุนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่เกิดจากความอยากของเราที่ไปยุ่งไปอยากกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พออยากแล้วไม่ได้ดังใจก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาถ้าตัดความอยากได้หมดแล้วจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งนั้นใครจะเป็นอะไรอะไรจะเป็นอะไรเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรร่างกายจะเป็นอะไรใจไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากแต่ถ้ามีความอยากมันจะเดือดร้อน ความมันไม่ได้เป็นไปตามที่อยากได้การที่ไม่มีความอยากก็เพราะเราสามารถทําใจให้สงบได้ตามใจให้อิ่มให้พ อ, อแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการทําตามความอยากนี้จะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปทําตามความอยากทุกครั้งที่อยากก็อยากไปทําแล้วต่อไปความอยากก็จะหายไปหมด เราจะไม่มีความอยากมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปนี่คือธรรมะที่จะปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาทำร้ายจิตใจได้เร ต, ต้องต้องปฏิบัติถึงจะเกิดธรรมะเหล่านี้ขึ้นมาต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาคือสมาธิและปัญญาถ้าได้ทาเหล่านี้แล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เหมือนกาะมีเกาะหุ้มห่อจิตใจจะไม่มีความทุกข์สามารถทะลุเข้ามาในจิตใจได้เลยใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ทุกรูปนี้ไม่มีความทุกข์เลยตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงไม่มีขณะใดเวลาใดที่ใจของท่านมีความทุกข์เลยถึง แ, แม้ว่าท่านอาจจะไปประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่คนธรรมดาจะทุกข์กันแต่ใจของพระพุทธเจ้าพระอหรหันต์นี้จะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้น นี่คือสิ่งที่ใจของพวกเราสามารถเป็นได้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้นอมนำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วเดี๋ยวผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องของการบ้องกัรจิตใจบ้องกันความทุกข์ต่างๆด้วยการปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาลิกปุเรนติสาคาังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปปัตปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสวมิจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะหราโสยธาไม่โชติหราโสยธาสัพ so พิตโยวิวาจจันตุส so ัพพารุโควินัสสตุมาเตภาวะตวันตรายอสุขีตีขายุโกภวะ อพิวาทนศสิริสะนิจจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังเดี๋ยวเราจะถามต่อปัญหาต่อนะครนนี้ก็ต้องขอความสงบวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ คนนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยหกสิบเก้าสองร้อยสามวิทยุออนไลน์สามสิบห้ารับฟังข้างบนนี้ห้าสิบคนรวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบเจ็ดครับโอเคมีใครอยากจะถามภาษาไทยไหัหยอ่ะพะอาจารย์ครับเวลาผมนั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกว่างแล้วมันสว่างแล้ว จิตมันตื้นๆเหมือนตื่นเต้นนะครับมันถูกต่างไหมครับถูกก็ละถ้ามันว่างสว่างสงบมันเป็นความแปลกปรลาดน่าสะใจแล้วแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ามีแต่สติอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ามันว่างให้มันอยู่กับความว่างให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปให้มันอยู่อย่างนั้นนานๆอย่าเพิ่งไปคิดอะไรอย่าไปพิจารณาปัญญาให้มันสงบอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะถอนออกมา กฏกายมันจะกลับมาที่ร่างกายแล้วออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่อยมาคิดทางปัญญาต่อไปแล้วเวลานอนผมกาหนดสตินะครับมันรู้สึกแบบบูบบแล้วมันสะดุ้งตื่นคิดว่าตัวเองตายครับแต่มันมันกาหนดอารมณ์ไม่ได้มันรู้สึกอารมณ์ไม่ได้ท้องวาน บางคนก็คิอว่าเป็นผีอ้ามก็มีแต่มันเป็นอาการของจิตช่วงที่เราครึ่งหลับครึ่งตื่นน่ยสติไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงกับหลับพอจะรู้เรื่องบ้างแต่ไม่สามารถควบคุมจิตได้จิตมันก็จะแสดงอาการแปลกๆให้เราเห็นให้เรารู้ด้วยพอเรารู้ปั๊บเราก็ใช้ปัญญาว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วดับไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีคุณไม่มีโทษอย่างไร ให้รู้เฉยๆมันดูหนังไปครับแล้วมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับผมเห็นเป็นแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดครับเห็นเป็นผ้าขาวแล้วมันมีเสียงบอกว่าให้ให้แปลดูครับอันนี้มันคืออะไรหรือแต่ว่าผมไม่ได้สนใจอะไรมากก็เจ็ดนั่นแหละมันก็มันก็คิดมันก็ปรุงแต่งออกมาครับก็เลยกลับมาพุโทโธอ่ากลับมาพุโทโธกลับมาที่ความสงบไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปหลงตามมัน ต้อนั่งสมาธิเพื่อความสงบไม่ต้องการที่จะเห็นอะไรรู้อะไรมีอะไรจะมาหลอกให้เราไปตามรู้ไปตามเห็นก็ไม่ต้องตามไปเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวจะกลายเป็นคนบ้าได้คำถามจากทางบ้านนะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ลูกควรทําอย่างไรดี ไปทำงานที่ไหนคนก็เกลียดตอนแรกเขาก็ดีด้วยทําไปนานๆ mm hmm. เขาก็เกลียดเราลูกควรทาอย่างไรดีครับเปลยนนิสัยเราสิคนที่เขาเกลียดเราเพราะนิสัยเราไม่ดีถ้านิสัยเราดีไม่มีใครเขาเกลียดเราให้อลองสํารวจตัวเราเองว่าเราทําอะไรที่มันไม่ดีนิสัยเราไม่ดีตรงไหนขี้งอนหรือเปล่าขี้โกหกหรือเปล่าขี้โลภหรือเปล่าขี้โกรธหรือเปล่าเนี่ย ถ้าเป็นอย่างนี้ไปอยู่กับใครเขาไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ด้วยใหม่ๆเขาไม่รู้นิสัยเราเขาก็ยินดีต้อนรับเราพอไปอยู่พอเล่นเห็นธาตุแท้ของเราเขาก็เบื่อเราอย่างอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราแก้ที่ตัวเราสังเกตดูว่าเราเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าขี้โลบหรือเปล่าขี้โ ก, ห ง, กงหรือเปล่าขี้โกหกหรือเปล่างอนเก่งรือเปล่าไอ้ทำนองนี้ไปอยู่กับใครแล้วก็จะไม่มีใครเขาอยากที่จะยุ่งด้วย คำถามต่อไปจากคุณเฉลิมพงศ์ที่ว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมายถึงพระสงฆ์แบบไหนครับก็ปฏิบัติเต็มรอยไงถ้าเป็นนักเรียนก็ไปเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนเรียนทุกวิชาเวลาสอบก็ได้สี่จุดนี่เรียกว่าปฏิบัติดีเรียนดี เรียนดีก็ปฏิบัติดีก็คำเดียวกันเพียงแต่ทางโรงเรียนเรียนอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติของพระเรียนด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยศีลก็รักษาสองร้อยย่สิบเจ็ดข้อไม่ด่างไม่พร้อยกิจวัตรที่ต้องทําทุกกิจวัตรก็ไม่ขาดถึงเวลาบิณฑบาตก็บิณฑบาตถึงเวลาฉันก็ฉันให้ฉันมือเดียวก็ฉันมือเดียวให้ฉันในบาทก็ฉันในบาทให้ทํากิจวัตรของตนเองให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ถึงเวลาเดินจงกรมก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็นั่งถึงเวลาออกทางปัญญาก็พิจารณาทางปัญญาอันนี้คือทำทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องก็เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคำถามต่อไปจากคุณพินโยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์แนะนำให้ทำงานหาเงินให้เพียงพอแล้วแบ่งเวลามาปฏิบัติธรรม กรณีเป็นฆราวาร์เมื่อสะสมทรัพย์เพียงพอสำหรับสามปีแล้วต้องการเข้าปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องต้องไปปฏิบัติที่ไหนสถานที่ใดครับอันนี้เราก็ต้องไปค้นคว้าหาดูไปตามวัดป่าต่างๆแล้วก็เดี๋ยวก็คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จะมีพวกนักปฏิบัติเขารู้วัดต่างๆ แล้วเราก็ไปทดลองดูว่าวันนี้ดีไหมวันนั้นดีไหมเพราะแต่ละวัดจะมีอะไรที่แตกต่างกันสถานที่อาจจะไม่เหมือนกันการกินการอยู่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนกันครูบาอาจารย์อาจจะไม่เหมือนกันเพื่อนร่วมปฏิบัติ ด, ด้วยกันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไปลองดูว่าเดี๋ยวเราก็ได้ที่ที่เราถูกใจเองคำถามต่อไปจากคุณจูน น้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะการเมตตาตัวเองเป็นอย่างไรเจ้าคะไม่มีการไม่เมตตาตัวเองเหอนอกจากคนบ้าเท่านั้นคนที่ฆ่าตัวตายนะ <c oughs> หรือว่าถ้าจะพูดก็คนโง่ ก, ก็ได้ที่ไม่เมตตาตัวเองคือชอบทําร้ายตัวเองคนกินเหล้านี้ก็เรียกว่าคนโง่ละคนไม่เมตตาตัวเองกินเหล้ามันดีที่ไหนกินเหล้ามันทํามีแต่เสียเสียทั้งสติเสียทั้งร่างกายเจ็บไข้ายได้ป่วย คนที่เสบบบายยมุขนี่ล้วเป็นคนไม่มีความเมตตากับตนเองคนที่ทำบาปนี้ไม่มีเมตตากับตนเองคนที่มีเมตตากับตนเองต้องไม่ทำบาปไม่เสบาบายยมุข ค, คนที่ชอบทำบุญทำทานนี่แหละเป็นคนที่มีความเมตตากับตนเองเพราะเป็นประโยชน์กับตนเองการกระทำเหล่านี้คำถามต่อไปจากคุณจินคอฟกราบนมัสการครับ กราบเรียนถามความคิดมาจากไหนครับและหมดไปได้ไหมครับความคิดมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจที่ไม่มีวันหมดฮะจิตใจถ้าจิตใจไม่มีวันตายความคิดก็ไม่มีวันหมดแต่เราสามารถที่ควบคุมความคิดให้มันคิดไปในทางที่เป็นสุขได้ไม่ต้องให้มันคิดไปในทางที่เป็นทุกข์แลวเราสามารถที่จะหยุดมันได้เป็นพักๆแต่เราจะไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ตลอด แต่เราสามารถรู้ทันความคิดได้ถ้ามันคิดไม่ดีเราก็หยุดมันได้ให้ไม่ให้มันคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไม่ดีเป็นไงก็คิดไปในทางกิเลสตัณหาเนี่ยคิดไม่ดีคิดโลภคิดโกรธคิดหลงให้มันคิดไปในทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงให้มันคิดไปในทางตายรักคิดไปตามความเป็นจริงแล้วมันจะทาให้ใจไม่ทุกข์จะทาให้ใจมีความสุข คำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคนที่โดนโกงเงินแล้วคิดว่าเป็นการทำทานไปจะทุกน้อยกับเงินที่เสียไปแต่คนที่ทำใจไม่ได้ทุกอยากจะได้เงินคืนจะได้บุญเท่ากันไหมคะถ้าทั้งสองกรณีที่เสียงเงินเท่ากันแต่คิดคนละแบบก็คนนึงถ้าคิดว่าคิดว่าอยากได้คืนก็จะทุกน เพราะว่าไม่ได้คิดว่าเป็นการทำบุญคนที่คิดว่าเป็นการทำบุญก็จะมีความสุขก็เป็นบุญน่บุญก็คือความสุขใจทุกก็คือบาปหรือความกัคือคือทุก็จะเลกความทุกข์ก็คือเป็นผลที่เกิดจากกิเลสคือความโลภความอยากได้คืนถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ก็อย่าให้เกิดความโลภความอยากได้คืนคิดว่ามันไปแล้ว ของมันถ้ามันจะเป็นของเราเดียวมันกลับมาหาเราเองถ้ามันไม่เป็นของเรามันก็ไปไปก็ปล่อยมันไปเราก็จะไม่ทุกข์ตายไปเราก็ต้องจากมันอยู่ดีให้คิดอย่างนี้ไม่ไม่จากตอนเป็นก็จังจากตอนตายถ้าจะจากอย่างอย่างไม่ทุกข์ก็ต้องยินดีจากกันถ้าไม่ยินดีจากกันก็จะทุกข์คำถามต่อไปจากคุณสับปรสี โยมทำบุญอยู่เสมอจนเป็นนิสเหมือนเป็นงานประจำของชีวิตไปแล้วความสุขเกิดกับตัวโยมเสมอค่ะแต่เมื่อวานไปเจอเพื่อนเลยบอกบุญเพื่อนแต่เพื่อนบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการทำบุญไม่มีการทำบุญรับบริจาคโยมทำใจพินิษพิจารณาต่อไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่มีคำถามเจ้าค่ะ ว่ามีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นหรือที่มีการทําบุญ อ, อ๋อไม่หรอกทุกศาสนานี้สอนให้ทําบุญแค่ น, นั้นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์สอนให้มีความเมตตาต่อเพื่อนบ้านต่อเพื่อนมนุษย์ร่มเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกให้ความสุขกับเขาให้ประโยชน์กับเขาถ้าเราสามารถช่วยเขาได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนก็ให้ทำทำประโยชน์เหล่านี้การทําประโยชน์เหล่านี้ก็คือการทําบุญเหมือนกันอะ คำถามต่อไปจากคุณวิกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะในการนั่งสมาธิการกำหนดภาวนาถ้าไม่กำหนดพุดโทโธแต่กำหนดบทสวดมนต์อิติพิโสหลายๆรอบแต่การสวดมนต์ถ้าเรานำหูฟังเสียบวิทยุที่มีบทสวดมนต์อิติพิโสและเราสวดตามด้วยได้ไหมเจ้าคะ่ะถ้าเราจำไม่ได้ก็หัดฟังไปก่อน แต่ทางที่ดีเราไม่ควรที่จะอาศัยของภายนอกจะนอกตัวเราให้อาศัยของที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าเพราะถ้าไปอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถฟังได้เราก็อาจจะสวนไม่ได้อย่างเช่นไปอยู่ในปา่าในเขาไปปฏิบัตินี่เราต้องอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราถ้าไปอาศัยสิ่งภายนอกมันไม่แน่นอนเดี๋ยวเวลาเกิดขาดมันขึ้นมาก็จะทําให้การปฏิบัติเร า, าติดขัดได้ งัอย่าไปอาศัยสิ่งภายนอกหัดสวดวนไปภายในใจมันไม่ยากหรอกบทอทิปิีกิโสเนี่ยเด็กห้าขวบไปยังสวดยังสวดได้เลยยังจําได้เราลองมาหัดจําแล้วทีนี้เราจะได้ไม่ต้องกังวลเราสวดไปภายในใจได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนคําถามต่อไปจากคุณกิติเวลาเข้าสมาธิทําอย่างไรถึงจะต่อสู้กับเวทนา ของขันได้เพื่อเจริญให้นานและก้าวหน้าขึ้นไปครับพยายามรู้ว่ากายกับจิตคนละส่วนแต่ก็ยังแพ้เวทนาเราต้องมีสติที่แข็งแข็งแกร่ง ท, ที่ที่ต่อเนื่องเช่นให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปโดยที่ไม่ให้มันไปคิดถึงความเจ็บเลยถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวความเจ็บมันจะไม่เข้ามารบกวนใจ ใ, ใจเราจะผ่านความเจ็บได้เข้าสู่ความสงบได้งั้นต้องมันฝึกสติบ่อยๆฝึกสนิฝึกสติอยู่เรื่อยๆให้มันชํานาญพอเวลานั่งแล้วเจอความเจ็บก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปอย่าหยุดอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วความเจ็บจะไม่มารบกวนใจ ใ, นใจจะสบายมันจะอยู่กับความเจ็บได้เลยจะสงบ คำถามต่อไปจากคุณสุกัญญากราบนมัสการเจ้าคะ่ะโยมได้ฟังพระธรรมเทศนาในห้องประชุมแล้วเกิดเห็นภาพท่านเป็นโครงกระดูกตามอาการเคลื่อนไหวของท่านแปลว่าโยมเกิดสมาธิหรือเกิดปัญญาเจ้าคะ่ะก็วิปัสสนาเกิดการพิจารณาร่างกายเห็นร่างกายในส่วนที่มองไม่เห็นตามปกติ อ, อเห็นเข้าไปเห็นโครงกระดูกของท่านการเห็นแบบนี้ก็ดีแต่มันก็ยังไม่ได้ดีมันเป็นการเห็นแบบให้เรารู้ความจริงว่าร่างกายของคนทุกคนเป็นอย่างนี้มีโครงกระดูกด้วยกันจะให้เกิดประโยชน์จริงๆต้องมองทุกคนทุกครั้งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือแม้แต่ตัวเราเองเวลาเราที่เรามองตัวเราในกระจกก็ต้องเห็นแบบที่เราเห็นคนอื่นด้วย มันถึงจะทำให้เร า, เอารอบครอบจะทำให้เราปล่อยวางทุกทุกคนได้ให้จะได้รู้ว่าทุกคนในีความจริงก็คือกระดูกเดินได้นี่ดีเน่เห็นแต่เรามองไม่เห็นถูกหนังหุ้มห่อไว้แล้วเราจะไม่หลงไปรักใครไปชังใครคำถามต่อไปจากคุณอ ร, รยากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ การที่เรารับผิดชอบทรัพย์สินให้เพื่อนโดยที่เจ้าของทรัพย์สินนั้นรับรู้และยินดีให้เราใช้จ่ายในทรัพย์นั้นได้อยากเรียนถามท่านว่าถ้าเราเอาทรัพย์นั้นมาใช้จ่ายจริงชาติพบต่อไปเราต้องไปใช้นี่กรรมและมันจะเป็นกรรมต่อกันกับเขาอีกไหมเจ้าคะ ถ้าเขาอนุญาตแล้วก็ไม่ไม่เป็นไม่เป็นบาปไม่ได้ทำผิดศีลข้อลักขโมยการเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตถึงจะเป็นบาปแต่ถ้าจะของอนุญาตไว้ก่อนว่าอยากจะใช้อะไรต้องการใช้ก็ใช้ไปได้อย่างนี้ไม่เป็นนี่เป็นศีลกันไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันคำถามต่อไปจากคุณกุ้งถ้าเราเดินออกจากคู่รัก ที่ทะเลาะกันตลอดเวลาทำมาหากินก็ไม่ส่งเสริมกันแล้วเราเอาตัวเองออกมาจากเขาเพื่อทบทวนแต่เราก็ชอบและถูกใจผู้ชายคนใหม่อีกคนแต่แค่พูดคุยกันแต่เราเองแอบมีใจให้คนใหม่ไม่อยากกลับไปคบคนเก่าแล้วแต่ก็ลังเลกลัวตัวเองผิดที่เปิดใจให้คนใหม่ควรแก้ใจอย่างไรเจ้าคะ ก็แก้ว่าเหมือนกัน่ะคนเก่าคนใหม่ก็มีกิเลสเหมือนกันเวลาใหม่ๆมันก็ดีทั้งนั้นอ่ะพออยู่กันไม่เรียกกันสักพักเดี๋ยวตัวไม่ดีมันก็โผล่มาให้เห็นเหมือนกันให้คิดว่าเหมือนกันไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่เวลาใหม่มันก็ดีแต่พอเรามันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวธาตุแท้มันก็ออกมาเองเดี๋ยวกิเลสตัณหามันก็ออกมา ฉะ้ให้คิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ไปหลงนักไีกต่อไปอยู่คนเดียวดีกว่าปลอดภัยกว่าอยู่กับคนอื่นก็อาจจะต้องเสี่ยงเขาอาจจะดีก็ได้อาจจะดีกับคนเก่าก็ได้ แต่อาจจะดีไม่นานหรืออาจเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้หรือเขาดีแต่เกิดอุบัติเหตุเขาต้องเป็นอะไรไปก็ได้คิดอย่างนี้บ้างมันจะได้ทำให้เราเห็นว่ามันไม่แน่นอนความสุขที่เราจะได้รับจากคนอื่นนี้ไม่มีใครควบคุมบังคับได้เสมออาจจะดีไปนานอาจจะดีไปไม่นานอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ ให้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะได้ไม่ไม่อยากจะมีอะไรคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากที่เมื่อวานพระอาจารย์ได้เทศนาตอบคำถามมีตอนหนึ่งที่เทศว่า เมื่อผู้ตายไปแล้วได้ไปใช้ผลบุญผลกรรมในช่วงเวลาหนึ่งแล้วต่อมาเมื่อแต่ละลายมีผลของบุญและบาปที่ใช้ไปแล้วเหลือในระดับบาปบุญที่เท่าเท่ากันผู้นั้นจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งวนไปเวียนมาเช่นนี้เรื่อยๆไปจึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดมนุษย์ จึงเกิดมาจนรวยสวยหลอ่อโง่ฉลาดไม่เท่ากันในเมื่อเกณฑ์การเกิดคือก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีบาปบุญในระดับเท่ากันก่อนถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เจ้าคะ่ะออมันบาปบุญมันมีหลายระดับกันที่มันเท่ากันระดับสิบก็มีระดับห้าสิบก็มีระดับแปดสิบก็ ม, กมออีมันเท่ากันตอนไหนมันกออ็มันก็ทำให้มีความ มีความแตกต่างกันแล้วมันอยู่ที่ว่าช่วงไหนเป็นช่วงของบุญแสดงผลช่วงไหนเป็นช่วงของบาปแสดงผลถ้าลงมาจากข้างบนมันเป็นช่วงของบุญแสดงผลมันก็เลยไม่ได้พบชาติที่ดีถ้าเป็นช่วงที่ขึ้นมาจากข้างล่างมันก็จะเป็นช่วงของบาปแสดงผลมันก็จะมีมาเกิดแบบอาภาพวาสนาะด้อยปัญญาด้อยอะไรต่าง อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของเรานะอาจจะผิดถูกเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะหาว่าเราเพราะความจริงพระเจ้าบอกเรื่องกรรมนี้มันเป็นเรื่องอจินไต่เรื่องที่ไม่มีใครจะมาวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อันนี้ก็พูดแบบความความรู้ตามความเข้าใจของเราอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเชื่อนะแต่เราเชื่อแบบนี้ หมดได้ยังคาถามหมดพอดีลเลยเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด